นี่มันแน่นก็แน่นก็จะทำยังไงล่ะบูติมาศึกษาอบรมของมาสมควรแล้วก็ต้องขยับขยายนะ่ายแน่นตุกวันตุวนทั้งหมดมีเท่าไหร่นี่พระ ท, ทั้งพระทั้งเนินประมาณสี่สิบน่นเยอะเย่อเยอะเย่อยอ่เย่อจะทำาไงผมก็ยิ่งกำลังวังช า, าไม่มีเช็นแล้วนี่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 ยี่สี่สิบหสิบจะอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งคับยิ่งแน่นหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ผมมาพบอยู่เก่ากับเป็นแบบหนึ่งผมมาใหม่กับเป็นแบบหนึ่งแบบทั้งสองแบบนั้นไม่ใช่แบบกินหน้าไว้ใจไม่ใช่แบบกินหน้าอบอุ่นเย็นสบายสำหรับคนหน้าน้าหมุกเพื่อนอยู่ด้วยกันก็ดีมันเป็นแบบอย่างว่านั่นแหละ ว่าแบบยัก oh, ษ์แบบผีก็ว่าได้เรื่องแบบี่เลือดไม่ใช่แบบดีมันอกเป็นอย่างนั้นของมันเนี่ยมาตั้งใจมาศึกษาศึกษาจริงจริงมันก็ดีสิ วันนี้ไม่เห็นมีกินมีจำอะไรพอให้หนักวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่เฉพาะเราไม่กับพอแล้วนั่นอะคิดอะไรยุ่งอะไรห่ะยุ่งแต่กับขันแต่ของแล้วก็พอวันนึงวันนึงอย่างเอวนี่มันก็แข็งเดี๋ยวนี้าไปใช้ทะเลข่าวที่แล้วนี่ โรงพยาบาลหมอปัญญาเนี่ยก็ก็บอกว่าปูนจับอยู่ทุกแห่งต้องหุนทั่วกระดูกหลังตั้งแต่เอวขึ้นไปนั่นอย่างนั้นนะปูนมันเกาะอยจมมดจับจมมดเอาขี้เบา่นั่นแหละที่มันเจ็บหลังเจ็บเอวก็นั่นแหะมันไปทั่วหมดจะว่ามันเจ็บหลังยังไงเจ็บเอวยังไง ม, มันเป็นเอวแข็งบปนะไอ้นี่นั่งไม่ค่อยจะสนิทแล้วนั่งพอนหน้าก็นั่งอย่างสบายๆอย่างแต่ก่อนไม่ได้ต้องพิงอแม่จะ น, นั่งก็ยังแข็งไปเวลาออกมาสือถ้ามนกระพงจะนั่งไม่ได้มันแข็งไปหมด ยินปูนอยู่ก็ว่านี้ยมันเกาะติดอยู่ตามกระดูกหลังมันเป็นพืชไปหมดไปวัดทํามของเพนต์นั่งก็เลยพิจารณาถึงเรื่องหมูเรื่อคณะเหมือนจะไปเหมือนก็ว่าจะไปเหมือนก็ไปปรองธรรมะสังเวชหนึ่งเหมือนกันมันนักเป็นในจิตหูตาสําผัสสัมพันธ์ไปที่ไหนที่ไหนนั่นอดคิดไหมนะ หน่าสงสารหมู่บ้อนพลาเต้มเป็นร้อยมาจากที่ต่างๆมันนั้นเราก็ได้กุศลเทศใด้ฟังถึงจะเมื่อจะเปรี้ยวกว็าตามเพราะคาสงสาร น, นั่นแหละอะไรในกาศลเทศใด้ฟังถึงไม่ได้เข้มข้นอะไรนกักก็พอเป็นคติคติเทศไปเรียบๆธรรมดาตามธาตการมันอํานวย เ็ถึงทำบมานสูงสุดเหมือนกันหรือ mm hmm. ไม่มีผู้นําเป็นประธานลำพังมันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่ทําให้คิดมากนะพระเนนมา่นั่นเขเรียกว่าเศษหนึ่งส่วนพันส่วนหมื่นเศษหนึ่งส่วนหมื่นก็ได้ของพระของเนรทั่วประเทศไทยที่มาหน้านี่นเดี ทำให้อมมาติปีนาเทียบเคียงดูถึงผู้นำแต่ละกบละกบละกบนี้ต้องมีผู้นำผู้นำผู้นำนั้นต้องเป็นผู้สำคัญจึงเรียกว่าผู้นำสำคัญทางฝ่ายปฏิบัติก็คือสำคัญทางด้านจิตใจ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 เข้าสู่แบะปกติของตัวนั้นมันสำคัญอย่างนั้นเราจึงถืหลักใจเป็นสำคัญก็ปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลักก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ถ้าใจเป็นหลักอยู่แล้ว การปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม่ำเสมอและการแนะนำสังสอนผู้มาอยู่อาศัยด้วยอารมศึกษาด้วยก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แน่ใจได้ตายใจได้เหมื่อยึดหลักที่ท่านแนะนำสังสอนไปปฏิบัติผู้นําจึงเป็นสําคัญมากทีเดียว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 อย่ามีโอกาสมากราบเยี่ยมท่านแต่ละครัง้งละครัง้งได้อุบายไปเพราะการอบรมสั่งสอนของท่านท่า น, นอบอุ่นอยู่เราะผู้มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งท่านอย่างพ่อแม่หจาใจนี่เป็นผู้ปฏิสุทธิ์พุทธโทธเต็มที่แล้วอย่างนั้นก็ยิ่งร่มเย็นมนท่านเคยพูด ว, นวดันโหสถมันหลักเป็นสําคัญ พะวันววสดนั้นพระมามากเนี่ยทีห้าบางทีห้าสึงหกสุดพระต่างติ่นต่างฐานมาที่แถวใกล้เคียงนั่นแหละเน้นพวกหลายพระิดตามมาด้วยออกจากพ้าแล้วเวลาท่านให้รู้ว่าท่านเตือนเตือนอย่าได้นอนใจ การศึกษาอัตธรรมทางด้านปิตใจนี้เป็นสิ่งสําคัญมากะกัรเตือนสําคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยําหรือไม่ออืเราก็เป็นวงหมูเมม่เพื่อนกันว่าการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัต ต้องของจริงออกมาพูดกันว่าพูดสมาธิจิตของผู้เทศผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วฝึกถึงเรื่องปัญญากับผู้อบรมถังสอนมูอเพื่อนเป็นผู้นำหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นเนี่ยตันว่าจงกระทั่งถึงวิมุตต์หลุดพ้น ผู้แนะนําต่างสอนเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเสียทุกขันทุกภูม<น>ิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิดผูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้นและเป็นที่ต า, ายใจสําหรับผู้มาอบรมศึกษาอะท่นานว่าแล้วก็ย้อนมา อ, องค์องท่านเองอนี่ผมก็แก่แล้วนะเนี่ยท่านทั้งหลายมาศึกษาเอาให้จริงให้จังนะ การแนะนําตั้งสอนหรือแก้ไขดัดแปลงทางด้านจิตใ จ, ใจคิดต่อภาวนานี้เป็นของยากมากนะถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถะอิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจสมถะอิปัสสนามาเรียบร้อยแล้วอืม่เหมือนปริญญาต์อย่างนี้ทำยําแล้วย่ําเล่าอยู่แลนวบางครั้งถึงขนาดที่ว่าพิจูตเท่ายังไม่ตายนี่ให้ใคร มีข้อของใจอะไรอ้าให้มาถามแล้วให้รีบเร่งขวนขวายทางด้านจิตตภาวนาสงสัยตรงไหนให้มาถามนะเวลาพิจูเท่าตายแล้วยากนะผูดที่จะแก้ไขทางด้านจิตใจ น, นะนี่นะนะเวลาท่านเน้นหนักท่านเน้นจริงๆนี่อายุไม่ได้นานนะ่นนี่บางทีออกมาเป็นตัวเลกเลยเราไม่ได้ลืมเหมือนสดสดร้อนๆอนเหมือนอัดเทพไป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 นี่กับอายุเท่านั้นแล้วนะเนี่ยยังเหลืออีกกี่ปีไม่เลยแปดสิบนะโหขนาดนั้นนะบอกอยังตีการลงไปเลยทีเดเหมือนกับมองเห็นต่อนหน้าต่อตายอยู่นี่วันจะตาย้แงแต่ท่านก็ต้องมองเห็นตั้งแต่หน้านั้งแต่ที้าพูดขนาดนั้นไม่เลยแปดสิบนะนี่ก็ได้ปีเท่านั้นปีแล้ว น, นี่ตั้งแตนับไปนับไปนับข้อมือนี่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 ไม่ตายน่ายแล้วก็เราก็นับมาอย่างนแปดเดือนนั่นตั้งเดือนสี่ขึ้นสิบสี่ข้าผมจำได้ขนาดนั้นนะท่านเริ่มป่วยรวมทั้งวันที่สิบพฤศจิกาท่านมานับภาพปศเก้าสิบสองเนเวลาแปดเดือนเหมือนกับว้าดินถล่มมาหัวใจเรานะกพจิตมันจอยอยู่กับท่านเท่านั้น เป็นแม่นเลยคอยดึงคอยนั่นเรากินเ้าก็ตอนนั่นมันก็ชุนละมุนเราเหลือประมาณตอนท่านทำน้าท่านเริ่มป่วยมาแหละกินเราเามันก็เริ่มชุนละมุนวุน่นวายของมันไม่มีวันมีคืนตั้งแต่นั่นมากเลยกินเราก็ไม่ว่างเลย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 เรลงจากทางยงออกจากกุฏิท่านกับเข้าทางยงกลมน <Yeah. S 2> ปล่อยท่านกับปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องสาคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้แหนหมู่เพื่อนจะมีมากกว่าตามแต่เราคอยแหน่คอยให้อุบายคอยอะไหยุดตลอดเวลานั่นแหละปล่ <Yeah. S 2> อยมีเวลาบางนิดหน่อยกับเข้าทางยังกลมก็าทางยงกลมเพราะ ต, ตอนนั้นจิตมัน พิลึกพิลังมันกินทีเรี ย, ร ย, รยวามันเป็นน้ำมันเองนี่มันมีใครบอกใครสอนมันมีใครแนะใครนำแหละมันันเป็นในตัวของมันเองถึงวาลาที่มันเป็นนี่แต่นราเรียกก็เรียกว่าภาวนาเมญปัญญาอย่างว่านั้นมันก้าถึงขั้นภาวนาเมญปัญญามันก็ต้องหมุนตัวไปเองเป็นตัวมิติเลือดตโนมัต มันไม่หยุดไม่ถอยมีแต่หมุนอยู่ตลอดเหมือนกับกิเลสนั่นแหละมันจะหมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปี ล, ม ล, มลืมเดือนลืมลเวลามันไม่ได้ส่งของนอกมันอยู่ภายในนั้นพันกันอยู่กับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆอ ย, อย่างนั้น เป็นน้ำเป็นท่ามากรูหรีไม่ไม่คิดถึงกันเลยนะั้นมันแปลกนะเวลามันมันหมุนมันมันหมุมนขนาดนั้นมีแต่กิเลสกับสติปัญญาพันกันอยู่นั้นแต่สมมติว่าอันนี้ขาดลงไปแล้วจิตมันก็สอบ มันขุดมันค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งเหมือนกันพอเจอแล้วก็เอาแหละที่นั่นแหละเจอเมื่อไหรแล้วเป็นเป็นเอาหนักทีเดียวหรอเหมือนข้าตุลุมบอลกันเลยมันถอยไม่ได้มันไม่ถอยนี่ไม่เจอมับค้นหาเวลานี้ผ่านไปแล้วรู้ว่าแก้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันค้นหามันมันค้นเองนี่นะศอกมันแสงมันสอกแสกซิกแซกมันหาเรื่องหางเรา มันมาให้เกิดเหตุเกิดผลไปมาให้จนกระทั่งถึงได้พบตัวค่าสุดนังง่นแหละพอพบค่าสุดก็เท่ากับว่าได้งานแล้วนั่นเองแล้วมันจะมันจะคิดไปอะไรถึงไม่ต้องเวลานาทีชั่วโมงไม่ได้คิดน่ะมีแต่วความรู้กับสีนั้นต่นนั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยกินไม่ออกมาเลย มู่กับนั้นไม่งั้นมันจะไปเดินได้ยังไงตั้งแต่ตังหันแล้วจนกระทั่งถึงปัดขวานตอนกลางวันก็ท่านาก็พักมีหมูเพื่อนคอยดูแลเป็นประจำเราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นตอนค่าอะตอนเวนสําคัญอยู่ในวัด น, นองผือเราไม่ได้เข้าเวรเข้ายามกับหมู่ป่วนแต่เป็นผู้ คายตรวจเวียนตรวจยามอยู่ตลอดจิ <c oughs> ดตของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็เพียบทางขันเราก็เพียบทางจิตต่างคนต่างเพียบคนละด้านลทางในความทั้งหมความพระโหวนกับท่านที่เป็นล้มโพล่มใส่ จิตใจพันเน้นยุบย่อไปหมดพอท่านป่วยเต่านั้นาแสงสว่างก็อยู่กับท่านหมดพวกเรามือนบนตาบอดท่านเป็นผูให้แสงสว่างให้ดวงตาแสดงอัดแสดงทำแง่ใดตรงแง่ใดเราขอยสมอยากศึกษาขวบยึดคอยถือเอาจากท่าน ท่านล่วงไปนี่โอ้โปรากฏว่าเหมือนผ้าดินถล่มแต่นะ่ะผ้านเนีงนแตกกระจัดกระจายเกาะกันไม่ติดเป็นมาทั้งสามปีสี่ปีนแตกขนาดนั่นนะจริงมันเป็นสิ่งที่จําไม่ลืมลนะอยู่ไหนก็แตกกระจัดกระจายไปไปหาหา้ากัวอาจาร์ตามองต่างไปนะแตก ไปเกาะกันไม่ค่อยติดระยะนั้นไม่ติดสามสีป่ปีมานี่ปู่อาจารย์ผู้ใหญ่เช่นอย่างหลวงปู่ฟ้านทั้งก็อยู่เป็นหลัลกท่นเนี่ยพปู่ขาวก็มาอยู่เป็นหลักก็เข้าเกาะ ต, ติดเกาะติดเรื่อยไปล่ะสาหรับเร า, เาก็กลับมาจำบรรานนองผือ แ, แล้วก็การก็ไปให้ใหญหนูเพื่อนก็ติดตามไันนั้นตรงมากมายนะที่เราไปอยู่ในทสายเดื มันก็ไปอยู่สี่ปีน้องไทายอเนกกรรมมันอยู่ตามบ้านเล็กมาน้อยเหมือนกันอยู่สํานักเราจริงๆมีสักสิบกว่าองค์ไม่มากที่นั่นทีหนี่ไล่เฮียงไล่หมอนมากรวงกันมากตอนนี้จะหอ้ทายมาก็ยุบไปอีกเหมือนกันนไอยทายได้ก็มาตั้งตรงนี้วัดป่าวัดตัด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 ก็พอเห็ น, นว่าอาจารย์ท่านหลวงรับไปหลวงรับไปอยู่เพื่อมันมีที่เกาะเราก็อันรวมลงบ้างมนมก็มากขึ้นโดยลําดับปีนึถีบขึ้นไปตีหนึ่งปีหนึ่งถีบขึ้นไปผีบขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยสูงจนผิดมึผิดตาหนึ่งผิกายเท่าไหร่สาห้าเนี่ยเ็อย่างนั้นเลย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 อะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายสําหรับท่านแล้วเรามอบเลยมอบเลยลงขนาดนั้นนะ ล, ลงต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าตั้งแต่นู้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีไม่มีเคลื่อนมีไหวไม่มีคำว่านิจจังเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้ซึ่งมีต่อท่านอาจารย์บ้านนั่นเห็นคุณทั้งท่านเห็นขนาดนั้นเห็นพ่อเห็นโทษของตัวเองที่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 คืพูดหาเหตุหาผลหาความสัตว์ความจริงเอาจนลงได้ลงแล้วมันก็หมอบลาบหมอบลาบเลยถ้ามันลงนั่นเพราะฉะนั้นจนึงว่ามีแต่ท่าน่ชุดผ ม, มชุดขึ้นชุดขึ้ น, นตรงไห น, นตรงไหนก็ชุดขึ้นจะไปลืมง่้ยอย่างไอจากนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาพิจารณาเทียบเทียงเรื่องมือเพื่อนทั้งหลายก็ดียังทนนะนี่นะผมทนเฉยๆนะ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 ในกลายเป็นคนเดียวคนเดียวบางทีก็ไปคนเดียวเลยอย่างมากก็ไปสองสองก็มีแต่ผู้อายุภาษาไายเดียวกันอย่างนั้นก็แบบบอกพูดกันกงงๆเลยเอา้าวใคจะไปทางไหนไปนะก็แยกกันจะขึ้นเขาลูกไหนลูกไหนไปป่าไหนถ้ำไหนเ้้ยมาอย่างนั้นยังกระทั่งครแม่ครูอ า, อาจารย์มรณภาพ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 ตาลำพังเราตั้งแต่หมู่เพื่นอนเกาะที่แรกก็พยายามหลบปลีกปีกตัวตั้งแต่ไม่ได้ยังไม่เราย ง, มยงมแม่บวชไปไหนก็หนีไปได้เก้าวันสี่วันเต็มแล้วเต็มแล้วหนีเขาป่าเขาเขาไหนกับเก้าวันสีวันเต็มแล้วที่ไปอยู่นั่นมาจากไหนเดี๋ยวมาจากไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอิพ่ากันเลยกเกาะเต็มตัวที่อย่างนี้จนมองหาตัวไม่เจอ แม่ผลแห่งการแนะนําสั่งสอนหมู่เปื่อนเมื่อการทุ่มเทลงเต็มสติกําลังความสามารถของเรานี่มันเป็นอย่างไรบ้างนี่ที่หนึ่งที่ทําให้เราได้คิดอยู่ตลอดการสอนของ น, น่าหมดผมพูดจริงๆผมนี่หมดภูมิเลยผมไม่ได้มีอะไรรีรอเหลืออยู่แม้นิดหนึ่งที่ไม่ได้แนะนําสั่งสอนหมูเปื่อนก็ไ่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟัง พออยู่ด้วยกันมันนานแค่ไนนานมันก็ต้องหมดพุงแหละจากยิ่งือเท็สมันก็หมดเท่านั้นไม่มีอะไรเนื่อจากนั่งไปเพื่อจะตั้ง อ, อกตั้งใจวปฏิบัติก็เอาธรรมพุทธเจ้าของกิงมีอยู่อย่าระวังถึงที่เหลือมันจะเข้าเดียดหัวใจเนาะของจริงมันไม่มีที่เดลือกลายเป็นของกรินเข้ามา แทนหน่วยจ่ายนั้นให้ระวังให้ดีอันนี้มันเร็วที่สุดนะที่เหลือผมจะเอาเป็นของจริงแทนหน่วใจนี้มีมากตามไม่ทันแหละ <c oughs> ของความกับของจริงมันมั น, มนแทรกขึ้นไปนั่นแหละอะไรมีจริงอะไรต้องมีปลอมแทรกกันไปแทรกกันไปนี่ทำของจริงนะโอยจเจ้าประกาศไว้ขนาดไหนนักรูชาอาจารย์ท่านแบบนี้ปฏิบัติ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 เรื่องของสิปัญญาไปได้แล้วแล้วก็จับกันจนได้ <c oughs> อ๋อมันตายใจตายใจทุกด้านนมันรู้เองปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองอเองท่าลงมันได้ถนัดในหัวใจชัดเกณฑ์หัวใจท่านบอกว่าสันทิพิโกนั่นนแหละสันทิพิโกแท้เป็นอย่างนั้น่ะไม่มีเงื่อนสงสัยมาเบื่อปนเลยไม่ว่าจะเป็นทำขั้นใดแงใดของกิเลสของธรรมมันเป็นหมือดเป็นสันทิพยโกะประจักประจักประจักแล้วหายทงสายหายห่วงหายทุงสายไปพร้อมๆมพอมๆถ้าอะไรยังมีเงื่อน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 พอตัวแล้วมันไม่ได้บอกแล้วไม่ไว่าไม่ไว่าจะยกนไประโยชน์ให้อะไรอแล้วมันชัดเจนต้องันติสุข ส, สันติสุขสันติสุปัญญานะสาคัญมากไม่มีอะไรจะเหนือปัญญาไปได้พิริแรงเปลี่ยนแปล ง, ปปล ง, ปปลงหลายสันหลายคมเอากันอยู่นั่นยิน่งใหญ่มันฉลาดมากทีเดียวนะธรรมะละเอียดก็เท่าไรยีเ่เใหญ่ก็ยิ่งละเอียดละเอยดิย่งต้องฝึกซ้อมสติปัญญา ไปเรื่อยๆการฝึกซ้อมมันก็เป็นมันเองถ้าลงเนถึงขั้นพอกันแล้วพอฟัดพอเบี่ยงกันแล้วส้าปีบัญญักรฟิดตัวเองตลอดให้เหลืมันก็ฟิดของมันจนกระทั่งมันไปไม่รอดแล้วมันต้งยอมสลายตัวลงไปจากหัวใจถ้ามันยังพอเกาะได้มันไม่ถอยแล้เอาจนได้นั่นแหละเพาะง้ก็ให้หมู่พื่อนต้องตั้งใจ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 เรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องทุกข์เรื่องลําบากเพราะอีกการงานอื่นเราเคยทุกมาพอแล้วเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์เจ็บไข้มากป่วยมา ก, มากเป็นทุกข์มากเคยผ่านมาแล้วทุกเรื่องการต่อสู้กับวิเลยเอาทุกขนาดไหนเอาให้มันเห็นเหตุเห็นผลกันลงในวงปัจจุบันปัจจุบันยาฆ่ายาหมายถึงเรื่องสัจธรรมมันจะรู้ยังไงไม่รู้ยังไงไปฆ่าไปหมายไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอ พูมมีความเด็ดเดี่ยวอาหานน่าจะรู้ในวงศาสนาเพราะความทุกเบญธนาอันนี้เด่งได้เร็วมากมันมีที่ไปแล้วมันสู้กันปฏิปัญญาจะหมุนติวต้วติว้วติ้วเร็วที่สุดจะเอาความอยากความต้องการให้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้มาสวมเข้ามาได้นั้นนนั่นคือสมุ ท, ทยัยอยากรู้อยากเห็นความจริงนั่นเป็นมักอือยากทำ มันเสร็จมันสิ้นไปนแค่เราจะได้พักผ่อนนอนหลับนั่นคือเรื่องของกิลเลสไปคาดไปหมายไม่ได้แต่เวลามันรอบทุกคเวทนานี้มันมันเห็นจัยนกยริงนะ่าสนาศาสตร์จะทำเป็นของจริงนี้ในอริยาศาสตร์ท่านบอกว่าของจริงสี่อย่าง <S <S อภาคความจําแล้วก็จําได้อยู่ของจริ ง, จข ง, จ ง, จขงของจริงอะไรจาได้เเหมือนว่าขุนทองต่อเมื่อเด้ก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 ไม่ได้เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรจากความกําหนดรู้ทุกข์นะเพียงรู้เท่านั้นเพื่อเพื่อจะสาวข้หาสมุทัยต่างหากนั่นผลจะเกิดที่นั่นนะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเช่นว่าทุกทุกแข้งทุกขาทุกกระดูกตรงไหนมันเป็นทุกข์นั่นนั่นค้นหานั่นแหละค้นหาสมุทัยแล้วไอ้เรื่องทุกข์มันรู้อยู่แล้วเนี่ยทุกข์เขานี่ก็รู้ขาจะแตกหลังจะหักมันทุกข์มากนั่งมากมันก็รู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้่มัน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 นี่แหะท่านเรียกว่าการพิจารณาข้นสัจธรรมเมื่อมันพ้องมันแล้วโอ้โหมันเหมือนกับพูดไม่ถูกหนังกระสับแต่ว่าหนังมันเนื้อวาเอ็นมากกระดูกว่าอะไรมันมีมันมัมนจริงมอมันไม่รู้ความหมายเลยนะหนังไม่ก็ไม่รู้ความหมายมันเป็นทุกข์หรืนะนั่นอต่เวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปสติหยั่งเข้าไปจริงๆแล้ว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 กีดมันกัดอะไรขาดสะบั้นเวอร์นูกัดเพชรก็ขาดรใว่าไงเวลามันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยไปได้ไหเอานี้เห็นจริงเอาตายก็ตายสิอะไรจะตายอะไรจะตายก่อนตายหลังให้มันรู้นนินะเกิดมาเนี่ยังไม่เคยตายให้มันรู้สัทีนะนั่นเวลามันหมุนกันแล้วสุดท้ายมันก็ชัดชัดเจนหนังก็กําหนดดูหนังก็เป็นหนังเฉยตั้งแต่วันเกิดมาแต่เนื้อเองก็ดูก็ตั้งแต่วันเกิดมันก็เป็นต้งอย่างนี้ทุกนี่มันก็เกิดขึ้นดับไปก็ขึ้น้าไป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 ไม่ดับไปทุก็ไม่มีอํานาจที่จะบังคับจิตใจให้มีความกระทบ ก, กระเทือนให้มีความบอกช้ำเหมือนยันแต่ก่อนได้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําร่างกายเหล่านั้นให้กําเริบเพราะความทุกข์อันนี้เลยเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่นั่นไม่กระเทือนกันที่นี้นี่หนึ่งเนี่ยกาบีหนารารอบพ่อเป็นอย่างนี้มีอยู่สองอย่างนะ้วแต่จิตนั้นหักอัศจรรย์นะเพวมเมื่อรอบตัวเองทุกอย่างแล้ว ไม่มีอะไรเข้าไปแทรกตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ไปหลงอาการสีทั้งสารทั้งสี่อย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนัด้วยแล้วมันก็อัศจรรย์อีกนี่การพิจารณาสัจธรรมทีนี้ไม่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าสัจธรรมกินอย่างนี้เหรอมันทักอัศจรรย์ตัวเองวโอ้โหสัจธรรมนี่กินอย่างนี้เหรอทุกขศาสตร์ว่ารินตั้นว่าทุกเป็นของจริงอย่างหนึ่งกินอย่างนี้เถวเหรือเถอเหรือนั่นืออขง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 อันต่อไปมันก็เหมือนกับน้ํ า, าใสๆที่จอกเหนมันไหลก็ปกคุมผู้หมอตามเดิมนั่นแหละห้างมันความเชื่อนั้นเราได้ฝักรงไปแล้วได้เห็ น, นชัดเจนแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้ที่จริงๆนั่นทีนี้ก็มีสติกําลังมีสติปัญญามีกําลังวังชามีแก่กิจแก่ใจเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเปลียนทั้งหลายมาจะเอาเห็นจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งถอนได้โดยสิ้นเชิงน่นนินทานาว่าศาสนาธรเป็นของจริงจิงอย่างนี้ ทุกมันก็กินมันสมุทยมันก็เงียบไปเลยอมืมักกะรู้นิรุตร์ก็รู้มันดับทุกนี่หลักนี่ได้แล้วนะเวลาพิจารณาวันต่อไปมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันไม่ถอยนะฮึอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังผมนั่งตลอดลุ่งมานี่ต้งโห้ต้งอตงเก้าคืนสิบคืนแต่ไม่ได้ซ้ำกันนะ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 อันนี้สําคัญมากนะเป็นอุบายสติปัญญาไนงะที่เราเคยได้พิจารณาพิแปลงเปลี่ยนแปลงไนงะให้เกิดอืสติปัญญาเรื่องให้ได้ถอดได้ถอนกันจนกระทั่งถึงในรูส้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของจริงแต่ละอย่างอย่างนั้นเราจะยึด อ, อุบายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสอนให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะเออแล้วแต่อุบาย ม, มันเกิดแต่อุบายมันที่เกิดซึ่งสจโร้อ น, อ น, อนมันจะไปพาดไปพิงไปซับไปซ้ำกันก็ตามถ้ามันเป็นประโลปัจจุบันบุปัจจุบันมันก็ใช้ได้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 ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วลงถึงดินถึงน้าถึงลมถึไฟกระจายตัวไปแล้วความรู้นี่เป็นความรู้นี่ล้วนแล้วมันยิ่งเด่นมันจะตายได้ไงนี่มันก็ชัดตรงที้อ่ามันมีอะไรตายมันกโกหกกันนะัอนวมันยังนั่นแตไม่รู้ด้วยตัวเองนั้นสิทำมาคุริเจ้าเป็นอย่างนั้น น, น, น, น, นะถึงจะแก้กิเลสได้นะไม่ใช่ว่าจะจํามันจากโน้นจากนี้อะไรถึงจะจําจากกูบาจานทร์แบบเขเป็นแนวทางต่างหากส่วนเจ้าของที่จะ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 ก่อนเราก็หวังพึ่งอาศัยตันยิงทองเนี่ยโอ้นก็ได้พูดคุยธรรมะ ก, กันแล้วทางด้านจิตใจเราคนแน่ใจแล้วถึงพูดกันในฐานะลูกศิษย์ก็อาจารย์เลยบอกนี้เวลาผมตายแล้วมอบศพให้ท่านยิ้งทองนะแต่ถ้าท่านตายผมไปเผาศพเองะถ้าผมตายมอบศพให้ท่านนะไม่ได้มอบให้สุนทราแล้วมันยุ่งค่ะ เอาเผาโยนลงตรงไหนโยนลงเลยนะว่ะหลวงินท้องมันยุ่งจริงๆนะคนตายแล้วนี่หนักว่ะจะก่อเหตุกอ่กกอกเรื่องอยุ่งเหยิงบุบบายมากทีเดียวนะสศปนนี่นะ่ะว่ะท่านเอาไปเลยนะมาผมมอบให้ท่านแล้วเอาเลยเวลาท่านตายผมก็จะเผาเลยให้เลยนะแล้วก็จะจริงอย่างนั้นท่านตายใครมายุ่งผมได้มเมื่อไหร่ผมเอาได้เลยนะย่ะเห็นไหมหลวงพูดก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้ทั้งนั้นท่านยิ่งทองท่านบุรพุท เป็นพระของผมเป็นพระอ า, าวัดผมออกจากนี้ก็ไปอยู่นั่นเคยอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ท่านยิ้มทองอุปะคุณติดสอยห้อยตามึ่งเป็นเพิ่งตายกันมานานแสนนานเนะี่ยผมไม่ลืมนะท่านยิ้มทองมีคุณต่อผมมากมายอย่นะพุบะคุณลองกันลงไปหมุนเวียนกันอย่างท่านโตเพียนเ่าเหมือนกันนะโตเพนเหล่านี้เคยมีบุมีคุณต่อกันผมไม่ลืมนะอะไรที่เอยนมันสังลึกตหัวใจเราไม่เหมือนหัวใจไข่นะ ฟังอะไรฟังนึกจริงๆไม่ได้หลอดไหลเวลาเท่านั้นผมก็เป็นจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อยผมบอกว่าเวลาง่ผมตายก่อนเนาะท่านเผาเนาะเผาผมจะทาไมก็ทาเลยนาะอยากรอยุ่มๆ่นวายมาเรื่องยุ่งๆาก็มาทลายความสงบนะฟก็เพราไว้ใจท่าน ทางด้านจิตใจท่านดีดีมากนั่นคือเราเราฟังทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขั้นสำคัญมันก็น ม, นมีสองขั้นกรารมราคะกับอวิชชาเป็นสำคัญท่านพูดเ่านี่ถูกจ้องทั้งสองเลยถ้าท่านไม่เป็นท่านพูดไม่ถูกเนี่ยเราจับไว้ตรงนี้นะธรรมะอันนี้ไม่มีในในคัมภีร์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 ไปหาคนไหนกับลังพูดเจ้สาทุเราไม่ได้ประมาณนะไปหาคนกังพี่ไหนกัคนที่ไหนไอ้เคล็ดลับของธรรมประเภทเหล่านี้นี่อ่ะที่ที่ว่าท่านว่าไว้ในตำรานั้นว่ากัญญาณปุญชชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระจิตทาคาได้พระจิตทาคาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระนาคาได้พระนาคาไม่สามารถที่จแก้ปัญหาปรญหานได้จะแก้ได้ยังไงมันมีเคล็ดมีเคล็ดมีเคล็ดอยู่นั่นประจําผู้ปฏิบัตินั่น มื่ปฏิบัติลงไปงไตรงไหนตรงไหนมันรู้่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วแล้วคำพีไหนไม่มี<อ>แต่มันรู้ในนั้นเป็นของจริงเนี่ย น, น, นั่นแหละรู้อย่างนั้นเอามาพูดมันพูดถูกแล้วพิ่นี้ก็รู้ทอนนั้นก็รู้พูดกันปั๊บได้ความวจาริงจีเลยนั่นไม่ใช่จี่พูดแบบสุ่มเดาได้โอ้โหได้เมื่อไหร่หลักปฏิบัติต้องของจริงต้องเอาของต้องพูดออกมาได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นจัง ความจาเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจริงนี่กประจักษ์ในเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นเรียกว่าความจริงจริงอย่างกรรมาราคะท่านพูดได้ตัวถูกต้องออืผมซักเขาอย่งแหลกเนี่ยเพราะเป็นลูกศรผมเนี่ย เ, เราเลาฟังชัดตั้ว่าท่านเล่าต่างรู้เล่ากัานไปอืมถูกต้องแล้วก็ไปถึงขั้นท้ายกันกระปุต แต่แปลกท่านบอกท่านก็ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขณะแต่เวลาสมมติว่าถ้าไม่มีขณะนะกับผู้มีขณะผลเลยออกไปจากนั้นมันเหมือนกันน่ะนี่อย่างที่มันแปลกตรงนี้นี่ทำไมมันไปเหมือนกันได้ทั้งนี้ไม่มีขนาดผู้กับผู้มีขณะเลยจากจากขณะนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีขนาดมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นนี่ยิ่งทำให้เราปีนาท่านนี่ สุขาวิสสกสุขาวิปัสสุโท่านจะเป็นอย่างนี้นลำมังทําให้ขั้ <c oughs> แต่ส่วนมากก็ก้องเป็นขณะมันถึงทราบแล้วกันได้เช่นอย่างอาองค์นั้นสําเร็จอยู่ในเขาลุงนั้นอยู่ในป่า น, นั้นอยู่ในทางโยมตรงนั้นเทรงนั้นเวลาท่า น, นั้นทอนนี้อย่างนี้เช่นอย่างพระอา น, นุ์ก็อริยบทสี่ว่าอยู่ไม่ไเดินว่านั่งว่านอนไม่ได้กันนั้นอยู่ในย่านกลางท่านกําลังเองื้อลงไปจะลงมอน ต้อบรรลุธรรมใช่ตอนนั้นคือจิตมันเป็นมธรรัธยดาหมายถึงอะไรปารจากความมุ่งไม่วาท่านจะมุ่งท่านจะท่านจะบรรลุธรรมหรือท่านจะตัดสู้ตัดสูตดส้ตาม ท, าที่ทรงพยากรณ์ไว้ท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์ท่านลืมโลปัจจุบันเยอะท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์มากกว่าพอปล่อยภาพจิตก็เข้าลงปัจจุบันภาพรู้ทันทีเลยนะคือปล่อยอะไรพูดง่าย พอพออะไรลาล้กิจก็อยู่ในวงมัธยัตยหมายมาสูญจางไม่ยึดอะไรไม่อะไรเลยปบตรงตรงนั้นเลยสระเร็จในอียบท4สี่เนี่ยเป็นข <c oughs> นาหน้ามีแต่ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหมดท่านทำไมท่านจะพูดไว้ว่าสุขไหประสกเตวิชโชชลพิญโยไปสัมปิทัปปตูนั่ทำให้เราคิดนะตอนนี้ตอนเอาท่านทึ้งทองมาเป็นเหตุ แ, แต่ก่อน ม, มึงก็ไม่คิดไม่คิด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 แ้วที่หาอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องเลยหล่าถ้าถ้าพูดเราแบบคุ้นเอยทั้งนี้ยก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วอะไรอะไรออมามันก็เหมือนถ้าว่าจะหลงอะไรมันก็เหมือนทําหลงเชี้ยนแล้วแกลงหลงมันก็รู้ว่ามันแตลงหลงเชี้ยนอเราเนี้มันเป็นความถูกต้องถูกต้องมาพูดนะน่าฟังตรงเนี้มันทําให้คืี่นาถึงเตืนว่า ข้าารหลายประเภทข้าวปะะัศกุลเต็มวิจูดฉลาดปิญญโญไปสมัมปิทตะปโตมีหลายประเภทอย่าง ข, ข้าวปะะัศกุลนี่มีรูอย่างแห้งแล้งไม่มีความรู้อะไรๆต่างหากหรือไม่หรือไม่ไ ม, มีขนาดแล้วค่อยๆเหือดแห้งไปดยแบบ้ยลำดับๆนั้นเราก็ไม่ทราบได้ที่พอจะมาจับเมื่อนนี้มา พิยนาก็ดังที่ท่านยิ้มทองพูดนั่นเรายอมรับทั้งทที่ท่านมอว่าไม่มีขนาดเขตามแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรที่จะข้านท่านได้หน <c oughs> ึ่งนี้พูดเรื่องบุญเพื่อนก็หวังท่านยิ้มทองนึ่ที่จะเป็นผู้นำของหมู่คณะการแนะนำสั่งสอนจะถูกต้องแม่นยำในการวิปิบัติ แล้วควรวัดปฏิบัติงท่านเขาถึงเลยนะท่นก็ดีนะนี่นที่ไหนหเลยล่ะนี่ท่าู้ที่คอยท่นก็เท่ากบแก่ไว้ซะมากซมากอย่างนี้อหลัก เ, เ, เอาเกียรไม่ได้หลวงปู่คดีก็ไปซะแล้วเนะนี่ท่านก็แก่อยู่แล้ว ลุงปู่ขาวเราก็ไปกัน่ันเป็นหลักใหญ่ที่สุดแหละลุลงปู่ฟันนะไปกันนี่แหละหลักใหญ่จริงๆพระธนอทนี่สอนไม่ผิดเนี่ยสอนธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดยอดท่านอหนี้ไม่ผิดสอนรลุงปู่ฟันลุงปู่คาดีลุงปู่ขาวสอนไม่ผิดถูกต้องร้อยเปอร์เซ็น้อเปอร์เซ็นมีตั้งก็ไปได้ทําไม แลบกูแบน <c oughs> ก็เวลานี้ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเครื่องมือท่านคือขันทท่านก็มิจะนอนสูดลมหายใจกันนั้นนี่แต่ใช้งานไม่ได้แล้วจะพึ้นท่านด้วยอุบายนั้นอุบายนี้เหมือนแต่ก่อนก็พึ่งมาได้แล้วเดี๋ย <c oughs> นี้ตามเลยหนึ่งควรจังหนึ่งควรตั้งอกตั้งใจ อย่าตื่นเต้นกับโรค ก, กับสงสารมีเรื่องเกิดกับตายเท่านั้นนีเท่านั้นไม่มีอะไรมากยิ่งกว่านี้แล้ดูเอาเถอ ะ, จะเจริญมากก็แล้วก็เจริญมันเมื่อสอวันดาห์เรบินถ้าบานในหมู่บ้านเราพูดกับน้องสาวจุดท้องเราอีิถึงอ่ะแม่เบิม่มเราไม่เคยพูดกับมันเลยล่ะคิดดูดิมินถ้าบานแล้วเน่เคยพูดอะไรกับมันอ่ะไม่ทราบแต่ไหนแต่ไรหมามเป็นอย่างนั้น มันนั่นเราทำให้เราพอมองเห็นมันปะมันสะดุดจิตป e: ิดยับข really kind of ึ้นมาเห็นม so ันรอยืนสบายมันยืนรอสบัดอยู่ไปก็เลยตามมึงเห็นไหมเดี๋ยวนี้วะมึงเบื้งนูนหนึ่งกูบวชมันแต่กร้นมึงบวชเกิดมึงเกิดเดือนที่สองกูบวชเดือนหกก้อนนุ้งหกเดือนกูก็เ่าปนิมพ์บ่ให้มึงเถาปนิมอย่างไนวะมึงจํำได้ป่าววาจำได้ยูแม่บอกว่าฟังเหมือนเราแต่จังคอยลับบากมันมาก มันทาำหะเรา็คิดอย่างนีมันมี่เท่านั้นนะดูสิคาพูดอยู่ม้าก็วางกันนะมันแก่ขนาดแล้นท่านทั้งหลายดูสิใครจะจาได้น้องสาวผมนั่นแหละมันเกิดที่หลังผมหกเดือนผมบวชก่อนมันหกเดือนมันเกิดอย่างนั้นมีอย่างงั้นในโลกอันนี้เที่ยวเอาหมดมันเกิดแล้มตายัเกิดแล้วตายความสําคัญมันหมายไปตามกิเลสนาะ มันกวนกไว็ไาวมันไม่ดิน้นผู้จะตายชาติตายเร็วมันเกิดคือมันจะตายอยู่ดีดีนี่วันคืนปีเดือนกันนี้แต ม, มือกิแจ้งมันมีอะไรแปลกต่างอย่างนี้ไปมไม่มีละเอาละพอละอุ้ยแปลกคอแห้งละ